ช่วงนี้เดี๋ยวเรานั่งสมาธิกันก่อนนะ การนั่งสมาธิแบบเอาไปใช้ได้จริงๆก็คือหนึ่งอย่าตั้งตัวอย่าตั้งใจที่เราบอกว่าให้ตั้งใจนั่งสมาธิอันนั้นเป็นคำพูดเฉยๆคือทำให้ทำให้ดีคำว่าตั้งใจแต่อย่าเอามาตั้งใจ คือถ้าเราตั้งใจจิตมันจะแข็งขึ้นมาเราจะกลายเป็นการเพ่งบังคับมันจะก่อตัวตนเล็กๆขึ้นมาดันทีนี้มันจะอดอัดมันเหมือนกับมันเหมือนทหารบอกว่าทั้งหมดแถวต้อง ม, มันจะตั้งเดกขึ้นมาตรงด้วยเนี้ยมันไม่ใช่ธรรมชาติจริง แต่มันจะตั้งอยู่ได้อย่างนั้นไม่นานมันจะเหี่ยวลงนะเพราะฉะนั้นเราก็ไม่ต้องอยู่ในท่ า, าเหี่ยวลงตั้งแต่แรกแต่เราไม่ต้องตั้งกระเด็นขึ้นมามากนะอยู่เป็นปกติปกติใจก็จะอยู่เป็นปกติปกติบางครั้งคนที่บอกว่าทําไมเกรงเพิ่มบังคับจะแข่อย่างไงเราไปตั้งมันขึ้นมาเองแล้วเราตั้งใจจะทํามากเกินไปเราคุ้นเคยกับการเรียนหนังสือ การเรียนหนังสือเราเราต้องตั้งใจเรียนหนังสือเนี่ยเราจะตั้งอกตั้งใจฟังเอามาใช้กับการนั่งสมาธิไม่ไดนะ้การตั้งอกตั้งใจทาเนี่ยมันคือการก่อตัวตนลึกๆขึ้นมาเพราะมันจะอยู่ในวิธีจิตปกตินะเดินอยู่ในวิธีจิตปกติมันคล้ายๆกับก่อนนั่งสมาธิระหว่างนั่งสมาธิหลังนั่งสมาธิทั้งหมดมันเท่ากันเะฉั้นะจึงไม่มีการตั้งช่วงไหนขึ้นมา ก่อนนั่งสมาธิระหว่างนั่งสมาธิหลังนั่งสมาธิใจจะเป็นปกติปกติอยู่อย่างเนี้เมื่อใจเป็นปกติปกติอยู่อย่างนี้ เ, เ น, นี่ยจะเห็นความจริงของการเปลี่ยนแปลงแต่ถ้าตั้งมากมันจะมองไม่เห็นอะไรเพราะมันมัวแต่ยุ่งอยู่กับอาการตั้งของตัวตนนะเอาละทั้งนั้นเราก็แค่รู้ลมหายใจลมหายใจมันมีอยู่แล้วไม่ต้องตั้งใจรู้ด้วย แค่แอ บ, บสังเกตแล้วค่ะสังเกตลมหายใจก็สังเกตไปตามความจริงก็จะรู้สึกสบายๆรู้สึกสบายๆทำไปสบายๆไม่ต้องคาดหวังความสมบนะทำเหตุคือการรู้ลมผลจะเกิดหรือไม่เกิดวางจิตไว้เลยว่าไม่ได้เกี่ยว เหมือนก า, าน้ำตั้งบนเตาไฟหน้าที่ของเราเอาก า, าน้ำไปตั้งบนเตาไฟแล้วก็สังเกตเท่านั้นเองไม่เข้าไปอยากให้ก า, าน้ำเดือดไม่เข้าไปไม่อยากให้ก า, าน้ำไม่เดือดก า, าน้ำจะเดือดหรือไม่เดือดไม่เกี่ยวอะไรกับคนดู เป็นอิสระจากกนรนะจะเผลอแวบไปคิดบ้างไม่จำเป็นต้องไปมีอารมณ์อะไรกับของเกิดเกิดดั บ, ดบจิตตั้งมั่นอยู่กับสมาธนะิความคิดเกิดขึ้นความคิดก็ดับไป จิตก็ไม่ได้เข้าไปเกี่ยวข้องผูกพันอะไรเวทนาเจ็บปวดขั้นชาเกิดขึ้นมันก็เป็นธรรมชาติของมันอย่างนั้นไม่ต้องไปอยากให้มันหายหรือไม่ต้องไปอยากให้มันอยู่อาหมานั่งอยู่หน้าร้านที่สำเพ็งคนก็เดินไปเดินมากันทั้งวัน ก็ไม่ได้มีอารมณ์กับคนเดินไปเดินมาจะแต่งตัวสวยจะแต่งตัวน่าเกลียดก็เดินผ่านไปผ่านมาอะไรจะเคลื่อนไหวอะไรจะเปลี่ยนแปลงใจก็สงบเย็นก็เห็นความจริงของธรรมชาติของการเปลี่ยนแปลงไม่หงุดหงิดเพราะไม่สงบความคิดเกิดเกิดดับๆมันจะคิดก็คิดไปธรรมชาติของเป็นอย่างนั้นก็รู้ลมเราไป จะเผลอไปคิดใจก็เป็นปกติไม่ได้มีอารมณ์กับคิดจะรู้ลมใจก็ลมเป็นปกติกับการรู้ลมจะคิดจะรู้ลมจะลืมตาจะเดินจะเหินก็เป็นปกติอยู่กับความสงบหัวใจอยู่ตรงนี้ ไม่ดูไม่รู้ก็เห็นเองอยู่แล้วเห็นแต่ความเป็นธรรมชาติของการเปลี่ยนแปลงอยู่สงบสงบอย่าเพ้อเมือนั่งคิดไปยาวก็กลับมาลู้ลมก็เห็นความคิดเกิดขึ้นแล้วกระดับไป อารมณ์มันเกิดมาจากความคิดตรงนั้นก็ดับไปกลับมารู้ลมสร้างเหตุใหม่ผลเกิดเป็นอุเบกขาเป็นความสงบเกิดขึ้นผลก็มาจากเหตุเมื่อชีวิตเปลี่ยนมาสร้างเหตุที่ถูกต้องในสัมมา ความเป็นกุศลก็เริ่มเกิดแผ่เข้ามาในชีวิตมากขึ้นเรื่อยๆสุดท้ายก็ได้รับผลแห่งกุศลคือความสุขสงบจนพบความจริงของกุศลและผลของกุศลอย่างพาวนเวียนเวียนวนมีความสุข มีตัวตนแห่งความสุขก็จึงวางกุศลทั้งหมดลงอยู่ในสภาพเหนือบุญเหนือบาปวางกุศลแต่ไม่หยุดทำกุศล เนะพราะฉะนั้นตอนนี้เวลาเรากลับไปนั่งสมาธิเ็นก่อนนั่งก็ให้มีคีย์เวิร์ดจำไว้หนึ่งคำคืออะไรจะเคลื่อนไหวแต่ใจสงบนิ่งทั้งก่อนนั่งขณะนั่งหลังจากนั่งแล้วอะไรจะเคลื่อนไหว แต่ใจสงบนิ่งใช้ชีวิตมีการกระโถกจะทางตาหูจหมูกลิ้นกายแต่ใจสงบนิ่งเข้าใจความจริงเข้าใจธรรมชาติของความเป็นอย่างนั้นเอาละ อนโมทนาสาธุหลักสูตรนี้สั้นผมยังไม่ได้แนะนำการเดินชงกรมเลยนะหรือการอยู่กับสัมปชัญญะทุกคนยืนขึ้นเอาละทีนี้เราลองมาดูกันเรื่องสัมปชัญญะ เราทำอนาปนสติกันไปนะก็คือมีสติอยู่กับลมหายใจทีนี้ส่วนใหญ่เราก็อยู่กับการนั่งพอเราออกไปเดินทากิจทาหน้าที่เข้าห้องน้ำรับประทานอาหารเราก็จะรู้สึกว่าเราก็เริ่มไหลกลับเนื่องจากว่าความเคยคุ้นในการเดินที่ไม่รู้สึกตัวความเคยคุ้นในการรับประทานอาหารที่ไม่รู้สึกตัว ที่อยู่กันด้วยความหลงมันมีอยู่ดังนั้นเวลาเรามาฝึกเนี่ยเราจึงจำเป็นต้องใส่สติสัมปชัญญะเนี่ยเป็นเครื่องสกัดความหลงหรือสกัดความเคยคุ้นเดิมออกด้วยการกลับมาเป็นความเคยคุ้นใหม่ในฝั่งของสติสัมปชัญญะแทนไม่อย่างนั้นถ้าเราปล่อยให้อํานาจแห่งความเคยชินเข้ามาครอบงามันจะหลงกลับไปที่เดิม คำว่าหลงกลับไปที่เดิมคือหลงแล้วก็มีที่ตั้งแห่งกิเลสขึ้นมาได้ง่ายความหลงความเคยชินก็จะเป็นเหตุที่ทำให้กิเลสเกิดอทีนี้ทำยังไงนะทุกคนยกมือขวาขึ้นแล้วก็บกสังเกตการเคลื่อนหลับตาครับแล้วก็บกต่อไป สังเกตการเคลื่อนสังเกตได้ไหมได้นะลืมตาแล้วก็บกผมจะให้ทั้งลืมตาและหลับตาท่านลองลืมตาแล้วหลับตาเองแต่บกไปเรื่อยให้สังเกตว่าให้ให้พุ่งไปอยู่ที่สัมปชัญญะคือการเคลื่อนไม่ว่าเราลืมตาเราก็สังเกตได้ไม่ว่าหลับตาอาจจะชัดขึ้นเราก็สังเกตได้ นะเอาละนี่คือหัวใจความรู้สึกของการเคลื่อนนี่แหละที่เราจะนำไปใช้ในการเดินเหินหยิบจับดื่มน้ำ <c oughs> คูเหยียดจับช้อนจับซ่อมทุกอย่างก็หัวใจมาจากที่นี่คือการเคลื่อนเพราะฉะนั้นถ้าเราเข้าใจอ๋อแค่นี้เองเหรอแค่นี้เองไม่มีอะไรเลยง่ายง่ายอย่างนี้เหรอง่า ย, ง, ายง่ายอย่างนี้เพียงแต่ทำยังไงที่จะเข้าไปสู่ ความเคยคุ้นใหม่นี้ให้ได้ถ้าเราอยู่บนความเคยคุ้นใหม่นี้เราลองนึกภาพดูว่าถ้าเราทําไปได้เรื่อยๆอย่างที่เราเคยได้ยินว่าพระป่ากวาดร้านวัดพุทโธพุทโธ ท, ท่านสร้างความเคยคุ้นกับการมีสติสัมปชัญญะถูกไหมกับการมีสมาธิโดยอัตโนมัติพุทโธพุทโธพุทโธไปตลอดเวลาเนี่ยความเคยชินที่ล่องร่อ ง, ล อ, งลอยลอยเพ้อ เ, เ, เอเออเอมืม่อที่จะคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้เรื่องทุกข์เรื่องสุขมันจะมีไหม ไม่มีมันถูกตัดตั้งแต่ต้นทางหมดของมันกำลังจะงอกตัดของมันกำลังจะงอกตัดต้นยากมันจะขึ้นโดนตัดโดนตัดเพราะสติสัมปชัญญะอยู่ในทีละขณะถ้าไม่งั้นเนี่ยขณะที่หนึ่งขณะที่สองขณะที่สามปั๊บขณะที่สี่เผลอคิดล้ถูกไหมล่ะแล้วทีนี้สี่ห้าหกเจ็ดก็คิดยาวเลยกว่าจะรู้ตัวอีกทีร้อยเจ็ดกลับมามีสติคือคิดไปเป็นร้อยแล้ว ขนาดที่ร้อยเจ็ดกลับมามีสติไปกแล้วพอร้อยแปด้อยเก้ามีสติร้อยสิบหายเลยไปถึงสองร้อยกว่าอา้าวมีสติสแสดงว่าเราไม่คุ้นเลยทีนี้ทำยังไงถ้าหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปด้าสิบสิบดสบสองสิบสาอยู่กับสติสัมปชัญญะจนถึงร้อยก็แล้วสองร้อยก็แล้วความเคยชินเคยคุ้น ก, กับการอยู่กับสติสัมปชัญญะจะมากขึ้นเองถูกไหมล่ะ เมื่อมากขึ้นเองความหลงจะมีไห ม, ไมก็เริ่มยากขึ้นอะ่ะถ้าทำอย่างนี้ไปหนึ่งเดือนก็ดีสองเดือนก็ดีหกเดือนก็ดีปีหนึ่งก็ดีจนกระทั่งกวาดไปเนี่ยไม่ได้มีความจงใจที่จะไปรู้สึกตัวแล้วแล้วก็ไม่ได้มีอะไรที่จะเพิดเหมคิดล่องลอยอะไรทำงานให้เสร็จจัดการทุกอย่างจนเรียบร้อย สะอาดเตียนเรียบร้อยเก็บกวาดเอาขยะไปทิ้งทํางานอื่นต่อทีนี้เริ่มไม่ไหลไม่คิดไม่หลงนะเพราะมันเข้าไปอยู่ในเลือดในเนื้อในกระดูกดังนั้นจิตไร้สํานึกที่เก็บข้อมูลทั้งหมดจะมีตัวเราเข้าไปไหมเริ่มไม่มีนะสิ่งที่อยู่ด้วยคืออาการที่เป็นอาการแบบ ประมัดนเพียวๆ เ, เพราะลองดูดีๆนะผมบอกให้ท่านสังเกตการเคลื่อ น, นะถูกไหมเรารู้อยู่แล้วนะไฟคืออะไรแล้วการเคลื่อนนี่คืออะไรไม่ใช่แขนนะหลับตาระบบใหม่ช้าๆสังเกต ด, ดู ที่เรากำลังรู้สึกคือแขนเหรอหรือคือพลังงานที่เคลื่อนไปไม่มีแขนเรานะเอาละ่ะเข้าใจไหมสิ่งที่กำลังไหลกลับเข้าไปในจิตเนี่ยคือ การรับรู้มีผู้รู้กับผู้ถูกรู้ที่บริสุทธิ์ไม่ได้ก่อตัวตนขึ้นมาในระหว่างนั้นเลยแล้วก็ไหลกลับเข้าไปเป็นข้อมูลดังนั้นข้อมูลที่เราเคยรับรู้ว่าแขนขวาขาขวาเธอทําดีละเธอทําสวยแบบนี้ถูกไม่มีอยู่ในนั้นเลยข้อมูลเหล่านั้นเป็นข้อมูลที่พาให้กระตุกเป็นข้อมูลที่ปนไปด้วยส ม, มุติบัญญัติ แต่ข้อมูลที่เรากำลังทาด้วยปลรมัิเนี่ยจะไหลกลับเข้าไปโดยบริสุทธิ์ความเป็นตัวตนไม่มีในข้อมูลนี้เพราะฉะนั้นจิตไร้สำนึกจะเรียนรู้ใหม่ความเป็นอยู่โดยชอบมีคนถามหลวงพ่อชาว่าหลวงพ่อชาครับมีทางปฏิบัติไหนที่รับสั้นที่สุดในการเข้าถึงพระนิพพานหลวงพ่อชาตอบว่า ไม่ต้องทำอะไรคำว่าไม่ต้องทำอะไรเนี่ยที่จะมีใครรู้ไหมว่าคืออะไรดูใหม่นะมีอะไรทำไหมใช่ตอนแรกผมบอกให้ท่านเข้าไปขณะที่กำลังมีผู้รู้ผู้ถูกรู้เนี่ย มันเกิดการไหลเข้าไปของข้อมูลเข้าไปที่จิตไร้สำานึกแต่เป็นการที่ใช้การรับรู้ที่พื้นฐานที่สุดแล้วเป็นปรมัดที่สมบูรณ์ที่สุดแล้วเกินกว่านี้จะมีข้อมูลผลจะมีสมมุติบัญญัติเข้าไปปลการไหลเข้าของข้อมูลถ้าแค่นี้ไม่ใส่ชื่อไม่บอกอะไรทั้งนั้นจะไม่แทบจะเรียกไม่ได้ว่าเป็นผู้รู้ผู้ถูกรู้ได้ซ้า แค่เป็นอาการเฉยๆหนึ่งวินาทีสองวินาทีสามวินาทีที่อาการอันไรตัวตนเนี่ยไหลเข้าไปเนี่ยมันจะไปเปลี่ยนแปลงข้อมูลที่เคยรู้สึกว่ามีตัวตนออกไปเรื่อยๆต้องทำอะไรไหมเมื่อใส่ข้อมูลที่ถูกต้องเข้าไปในทุกวินาทีเนี่ยการรับรู้ใหม่ ฝรั่งบอกแล้วจิตไร้สำนึกไม่เคยสกรีนข้อมูลแต่ถ้าเราใส่ข้อมูลที่เป็นเพียวปรมัติเข้าไปในทุกวินาทีเนี่ยซึ่งฝรั่งไม่รู้ว่ามีข้อมูลนี้ไหลเข้าไปไหลเข้าไปไหลเข้าไปมากขึ้นเรื่อยๆสมมติว่ามีพระรูปหนึ่งสามารถทาได้อย่างนี้ตลอดหนึ่งเดือนหนึ่งปีสิบปีจิตท่านจะตั้งมั่นขึ้นมาเดินเข้าสู่ฌานเองทั้งหมด ท่านจะเห็นความจริงของธรรมชาตินี้ทั้งหมดขึ้นมาโดยไม่ต้องทําอะไรแล้วท่านจะวางทุกอย่างลงได้โดยอัตโนมัติศีลเสริญทุกอย่างจะมากันพร้อมบริบูรณ์เพราะข้อมูลถูกกิเลสขึ้นไม่ได้เลยกิเลสที่จะขึ้นมาชักนําให้ทํานั่นทนํานี่อยากนั่นอยากนี่หลงนั่นหลงนี่จะไม่มีอีกเลยแต่ในธรรมชาติความเป็นอยู่ของแต่ละคนท่านทําอย่างนี้ได้ไหมไม่ได้ การรับรู้ข้อมูลทั้งหมดก่อตัวตนตลอดเวลาการดูภาพสักภาพหนึ่งอาหารสักภาพหนึ่งไปเจออาหารสักอย่างหนึ่งมันกอ่กอกอ่กอก่อตลอดเพราะท่านไม่ได้อยู่กับข้อมูลอันบริสุทธิ์ตลอดเวลาสัมผัสกระทบขึ้นมาเกิดความชอบไม่ชอบปั่นขึ้นมาในใจเอาละข้อมูลไหลกลับเข้าไปความเป็นตัวตนมีขึ้นมาแล้วในสองสมวินาทีนั้น แม้ข้อมูลของเราไม่เคยบริสุทธิ์เพราะฉะนั้นถ้าใครอยู่กับสัมมาทิฏฐิแล้วข้อมูลที่ไหลเข้าไปเป็นสัมมาทิฏฐิในทางย้อนกลับพฤติกรรมของรูปนามนี้จะออกมาเป็นอะไรล่ะจะออกมาเป็นสัมมาทิฏฐิแต่ถ้านั่งสมาธิทําไมจิตไม่สงบเลยวินาทีที่ท่านกําลังคิดว่าทําไมไม่สงบเลยทํำไมฟุ้งซ่านอย่างนี้เมื่อไหรจะสงบสักทีเนี่ย ข้อมูลความเป็นตัวตนจะไหลกลับเข้าไปนึกออกยังนี่คือข้อมูลในความเป็นตัวตนที่เราใส่เองนะเพราะจิตของเรามีตัวตนความคิดของเราเป็นตัวตนข้อมูลทั้งหมดก็ไหลกลับเข้าไปเป็นตัวตนแล้วท่านจะบรรลุธรรมยังไงเดี๋ยวก็มาฟังทำอันเป็นปรมาติตแต่ใส่ข้อมูลอันเป็นตัวตนฟังข้อมูลที่เป็นอนัตตาแต่ใส่ข้อมูลในความเป็นตัวตนทุกวินาทีในการดําเนินชีวิต ซึ่งเรากาลังจะฆ่าเสือแต่เราให้อาหารเสือไม่หยุดเรายืนอยู่หน้ากรงเสือมอึงตายแน่กูเอาแน่ไอ้นี่ไม่ได้รอดละแต่พอตกเย็นเอาเนื้อใส่หลังกรงตายแน่กิเลสอาวิชาเนี่ยแต่มือเนี่ยใส่อาหารไม่หยุดเลยจะตายไม่เสือเนี่ยผมว่าเราจะตายก่อน เพราะฉะนั้นหยุดป้อนอาหารเสือแค่นั้นเองที่หลวงพ่อชาบอกไม่ต้องทําอะไรหยุดป้อนอาหารเสือสิอย่าป้อนอาหารเสือสิทุกอย่างจะเกิดกันขึ้นมาเองจะเข้าใจเองจะเห็นเองจะแจ้งเองจะบรรลุเองไม่มีใครบรรลุแต่นี่มาให้อาหารเสือไงทีนี้ในเรื่องแรกที่จะหยุดให้อาหารเสือคือผู้เจ้าบอกว่าจิตต้องมีที่เกาะ อยู่ๆจิตจะสุญาตาไม่ได้เพราะความเข้าใจมันยังไม่เกิดเลยก็ต้องมีที่เกาะเกาะอะไรล่ะเกาะสัมปชัญญะเกาะกายไว้ก่อนเพราะกายเนี่ยไม่แสดงผลยืดยาวปรุงแต่งรู้ลมคือรู้ลมรู้เคลื่อนคือรู้เคลื่อนไม่ค่อยเป็นรู้เคลื่อนดีรู้เคลื่อนไม่ดีอะไรไม่ค่อยมีกายแสดงผล ค้ายๆตรงไปตรงมาท่านจึงใช้กายยคขาสติเป็นที่อยู่ของจิตและเรียกว่าวิหารธรรมนะถ้าเราเปลี่ยนมาดูจิตความสุขเกิดขึ้นความสุขโอ้ยอันนี้อ๋อเข้าใจแล้วเกิดเกิดเข้าใจแล้วอยู่เรื่อยใครเข้าใจใครเข้าใจไม่เด่นละตัวกูเลยมันจะเพิ่มตัวกูจะเพิ่มความรู้จะเพิ่มปัญญากันอยู่นั่น แลไปเพิ่มที่ไหนนะไปเพิ่มที่ตัวตนปลอมทั้งนั้นเพั้นกลับมาที่พื้นฐานบอกให้เลยเรื่องไม่มีอะไรเลยวันนี้ทําจนยุ่งไปหมดแล้วทําจนยุ่งทําจนยากนะครูบาอาจารย์เนี่ยบอกนะทำไมทําจนยุ่งทําจนยากกันไปหมดเลยของไม่มีอะไรเลยแค่เข้าใจธรรมชาติท่านพุทธทาสสอนคำเดียวเช่นนั้นเองเอาละเพราะฉะนั้นเพราะจะเดินจงกรม ล, ละ่ะแต่นี้เราเข้าใจการเคลื่อน การเดินจงกรมก็เคลื่อนเนี่ยมันก็เป็นกายเคลื่อนไปอย่างนี้เพราะฉะนั้นเวลาท่านออกไปเดินริมน้ำเนี่ยท่านก็ชมนกชมไม้ก็ชมไปก็สลับมารับรู้การเคลื่อนไปเคลื่อนไปเดินออกกำลังตอนเช้าโอ้อากาศเย็นสบายดีจริงก็รับรู้ไปตามจริงอากาศเย็นสบายก็เย็นสบายจะชอบก็ชอบก็ไม่เห็นต้องอยากได้เลยก็ชอบ ก็ระทบปั๊บเกิดเวทนามีความสุขก็ก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะตอนนั้นก็ยังไม่ได้ก่อตัวตนเถ้าท่านเข้าใจปฏิจจสมุปาทผัสสะเป็นปใจใัจจัยเกิดเวทนาผัสสะกระทบอยู่ที่กา ย, ยหูสมมติกายเราพูดถึงความเย็นกายปับ๊บสามอย่างทํางานร่วมกันอายัตนาภายนอกอายัตนาภายในคือกายเนี่ยแล้วก็ผู้ถพาะเนี่ยเข้ามาสัมผัสความเย็น มีวิญญาณเข้าไปรับรูนะ้เกิดการรับรู้ถึงความเย็นที่เกิดขึ้นถ้าธรรมชาติที่เราเคยคุ้นเมื่อเย็นปับ๊บผัสสะเป็นปัจจัยให้เกิดเวทนาคือจะรู้สึกชอบขึ้นมาทันทีถ้าไม่มีอะไรเบรกปล่อยให้เป็นไปตามสัญชาตญาณเดิมเมื่อชอบแล้วจะอยากได้อีกพออากาศเปลี่ยนแปลงเป็นร้อน เมื่อวานเย็นกว่านี้วันนี้ร้อนอยู่องเฮ้ยไม่ไหวเลยเอา้าวเริ่มไปยึดติดละนะอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นร้อนร้อนร้อนแล้วก็จบไปร้อนแล้วใครจะต้องทำให้ร้อนเป็นอะไรร้อนก็ร้อนเย็นก็เย็นฝนตกก็เปียกคืออย่าไปมีปัญหาอะไรกับของพวกนี้เลยนะพอเราเริ่มฝึกอย่างเงี้ยเริ่มฝึกอย่างเงี้ยมันจะเริ่มปับ๊บหายปับ๊บหายไม่งอก เอ า, อางี้นะผมเรียกว่าไม่งอกเดินออกไปเจอความร้อนตอนนี้กำลังเย็นอยู่เดินออกไปกลางแดดปั๊บร้อนถ้าปกติโอยทำไมร้อนอย่างงี้วะโอเหนอนอ่ะไอ้นี่งอกถูกไหมคือโดนปัง้งปั๊บงอกเลยไอ้ น, นี่ไอ้เมล็ดพันธุ์มันงอกเลยแต่ทําไงมันถึงไม่งอกคือร้อนปั๊บก็ดับไปแค่ร้อนนั่นแหละเย็นก็เย็นนั่งอยู่ใต้แอร์เย็นไหมเย็นอยากเขาปิดไหมอยาก <c oughs> แล้วถ้าเขาปิดอ่ะ ปิดก็ร้อนร้อนแล้วอยากให้เปิดไหมเปิดก็เปิดปีดกันทั้งวันละทางนั้นนะเพราะฉะนั้นเอาผ้ากลุมหัวไว้ <c oughs> <c oughs> เห็นกับแล้วหนาวเพื่อผู้อื่นนั่งสมาธิในสันเช้าผมบรญญไรยายในปากสันไม่ใช่ว่าสันพระอยู่ข้าวหรสันพระหน า, นาวเอาละเพราะฉะนั้นแค่มีสัมปชัญญะ คนอาจจะโ้ยแค่นี้มีแต่สมถะมีแต่สมาธิเขาไม่รู้เลยวันนี้ลหละคือทางเดินแห่งเส้นทางสู่การพ้นทุกข์ล่ะพอนึกภาพออกหรือยังเอาละ่ะนั่งผมจะให้ได้ยินสิ่งที่ไม่เคยได้ยินไม่ใช่มีแต่ผมพูดคนเดียวแต่โลกนี้ไม่มีคนพูด เอาละผมจะให้ท่านได้ฟังการบรรยายครั้งหนึ่งของท่านอาจารย์พุทธทาส ผมเพิ่งได้ฟังตอนที่ผมพักจากคอร์สปฏิบัติจะพัดจะผูไปได้ฟังเพราะว่าจริงๆท่านบรรยายเป็นพันเป็นเป็นพันพันเรื่องเปิดไปจ้าเอ๋เรื่องนี้ถึงกับตาลุกเลยในใจลึกๆคือรู้สึกว่าเราไม่ได้พูดคนเดียวท่านพูดมา 20-30 ปีแล้ว เราไม่ได้พูดอยู่คนเดียวธรรมัาปาติโมกกระวะธรรมท่านอาจารย์พุทธทาสในวันนี้ก็จะได้พูดกันถึงเรื่อง เ, ออเกี่ยวกับ ตัวกูของกูในส่วนที่เกี่ยวกับภาษาพูดที่อาจจะยังไม่เข้าใจเกี่ยวกับพุทธภาษิตนั่นเองถึงหลักหรือขอ้อแทจริงหรืออะไรก็ตามอย่างใดอย่างหนึ่ง <c oughs> มาจนเป็นที่เข้าใจ กันโดยกว้างๆว่าสิ่งที่เราจะต้องละต้องระวังต้องละต้องอตัดหรือต้องทำลายก็ไม่มีอะไระเลอกไปจากสิ่งที่เราสมมติเรียกกันว่าตัวกู้ของกู้ ดูคาพูดของผู้ที่เห็นแช้ ง, ท, งท่ารูธรรมไม่มีอะไรนอกจากสิ่งที่เราสมมุติเรียกกันว่าเห็นหมคือสิ่งนั้นมันไม่ได้มีตัวตนจึงต้องตั้งสมมุติขึ้นมาเรียกสิ่งไม่มีตัวตนให้พอจะสื่อสารกันเข้าใจไม่มีพลาดคำพูดผู้ที่เห็นทุกอย่างเป็นสภาพว่าง นันะหมดตัวกูของกูหมายถึงเป็นพระอระหันต์ที่ปัญหาเกี่ยวกับคำพูดเนี่ย ม, มันมันมีมีมากมีหลายชั้นแล้วยิ่งกว่านั้นอีกมีพุทธภาษิต ท, ที่ใช้เป็นหลักอยู่ คือพุทธภาสิต ท, ที่ว่าถ้าภิกษุเหล่านี้จะเป็นอยู่โดยชอบใจโลกก็จะไม่ว่างจากพระอระหรัหันนี่มันแสดงความหมายว่า <c oughs> ยัางไงต้องไป ด, ดูมันแสดงความหมายเป็นในทางที่ว่าไม่ได้ทาอะไรหรือไม่ต้องทำอะไรไม่ได้ทำอะไร ไม่ต้องทำอะไรแล้วทำอะไรคนทั่วไปก็แล้วทำอะไรแล้วไม่ทำอะไรจะถึงได้ยังไงไม่คิี้หลวงพ่อชาที่ผมเล่าให้ฟังไม่ต้องทำอะไรยิ่งทำยิ่งล้นยิ่งทำยิ่งเกิดแต่ไม่ทำก็ขาดคนทั่วไปนอกจากเป็นอยู่โดยชอบ เหลือคำเดียวนะนั่งฟังท่านอาจารย์พุทธทาสบรรยายนะคำที่หนึ่งความเป็นอยู่โดยชอบที่จะได้ยินนะสองความเคยชินสามอริยมรตมีองค์แปดสามคำนี้ฟังให้ดีทั้งการบรรยายเนี่ยวนกันอยู่แค่สามคำแต่ในสามคำนี้ถ้าคนเข้าใจ การใช้ชีวิตหลังจากวันนี้เป็นต้นไปท่านอาจจะไม่รู้ตัวเลยว่าท่านเดินอยู่บนเส้นทางแห่งมรรคที่แท้จริงไม่ต้องทำอะไรอย่างที่เขาทำกันอกขอให้เป็นอยู่โดยชอบแล้วกันแต่ความเป็นอยู่โดยชอบไม่ใช่ไม่ทำอะไรแต่ทำอะไรแต่ไม่ได้ทำอะไรคำว่าเป็นอยู่โดยชอบ มันจะมีความหมายลึกลับหรือลึกซึ้งอย่างไรถึงกับทำให้โลกไม่ว่างจากพระอาหารหันต์ได้ที่จะว่าเป็นอยู่โดยชอบนี่มันเป็นการการละกิเลสเป็นการตัดกิเลสหรือเปล่า เพียงแตว่าเราเป็นอยู่โดยชอบแล้วกิเลสมันก็หายหน้าไปเองท่านตามตามข้อวัดคือเป็นอยู่โดยชอบสัมมาอาชีวะเราเข้ามาเป็นอุบาสกอุบาสิกาตื่นตีสี่ที่ผมบอกแค่ท่านเป็นอยู่โดยชอบตามข้อวัดกิเลสโดนไหมโอ้ยไม่อยากลุกเลยท่านลุกโดนแล้วนะ นี่คือการล้าง ก, กิเลสนะกําลังนั่งนั่งอยู่โอ้ยหิวหนุมเว้ยออกไปได้ไหมผมก็ไม่ได้ห้ามนะแต่ท่านก็ทําตามข้อปฏิบัติเรียกว่าวัตรละท่านก็นั่งอยู่เพราะฉะนั้นกิเลสที่กำลังพุ่งขึ้นใน ใ, นใจเนี่ยถ้าเป็นอยู่บ้านนะเดินไปตู้เย็นเปิดแล้วก็นั่งอาจารย์ก็พูดไปด็ผมก็นั่งกินไปดูยูทูบเพื่อกินไปเรื่อย โอ้เข้าใจจริงๆเลยเข้าใจเข้าใจเนี่ยอาจารย์พูดนี่เข้าใจจริงๆเลยถ้าเข้าใจอย่างนี้นะปิดกูเหอะนะ <c oughs> ไม่มีละกิเลสสักนิดเลยปิดเถอะแล้วก็ไปคุยกับใครหูอาจารย์นี่พูดโคตรเข้าใจเลยเนี่ยไปนั่งกินกันในโอ้ยอย่าแชร์ในวงเล่าแล้วกันนะมีบางคนเนี่ยนั่งกินแล้วคุยเรื่องธรรมะของผมเนี่ยมีด้วยนะ รู้ไหมว่าทําไมผมถึงเลิกเปิดคอสให้บริษัทผมโดนมาจังๆเลยเขาขอให้เปิดคอสบริษัทตกเย็นขอเนี้ยทานมื้อเย็นได้ไหมจา้าอ่ะตามสบายโอ้โหเปิดวงเล่าเลยแล้วก็เชิญผมไปนั่งแล้วก็ถามธรรมะตั้งแต่นั้นผมเลิกบรรยายบริษัทอีกเลยไม่ว่าบริษัทไหนผมไม่ไปอีกเลยเพราะบริษัทนั้นเริ่มต้นก่อนตอนหลังขอเปิดคอสในบริรีสอร์ก็อ่ะเอาสิโอ้โห ไม่รู้จะลากกิเลสกันยังไงเลยไหลกันทุกคนตกเย็นบรรยายเสร็จนอนเข้าห้องเปิดทีวีดูเลยนะเช้ามากินข้าโ อ, อ้โหคุยกันเฮฮาแล้วก็มานั่งฟังธรรมหูเข้าใจจริงๆเลยเลิกมันจะใหญ่แค่ไหนก็เลิกไม่ได้ผเผชิญกันกันบกิเลสเลย เมื่อเราเลี่ยงม า, าไว้หนูมันก็หายไปเองโดยที่เราไม่ได้ไปทำอะไรกับหนูเลยนะนี่แหละเป็นอยู่ในยชอบนะค่อยๆฟังท่านไปเรื่อยๆผมบอกเลยนะว่า c ีดีชุดนี้ยอเอ็มพีสมชุดนี้ผมตัดเองแล้วท่านรู้ไหมว่าแต่ละคำของท่านเนี่ยพูดห่างกันมากจนผมต้องตัดทิ้งแล้วดึงคำมาชนกันแสดงถึง ซีดีชุดนี้ออกมาตอนที่ท่านอายุมากจริงๆเป็นช่วงปลายท้ายละสมมติว่าท่านพูดว่าขออนุ ญ, ญาตนะความเป็นอยู่โดยชอบเราเวนเ้นไปนานอย่างนี้เลยแล้วถึงจะเริ่มพูดอีกคำหน่งคือถ้าผมเอาทั้งหมดมาเลยเนี่ยนะโอ้โหผู้ปฏิบัตินะเกิดตันหาระหว่างทางเพียบอ๋ออีกนานมเนี่ยนะผมเลยช่วยตัดออกให้ นะช่วยตัดออกให้แต่ให้เห็นถึงที่ผมพูดเพราะว่าต้องการคืนออริจินอลให้ท่านแต่เอาละไม่เป็นไรคือท่านพูดช้ามากท่านเหนื่อยมากแล้วท่านพูดมาทั้งชีวิตแล้วนี่แสดงว่าเป็นบทปลายๆของชีวิตท่านแล้วนะเนี่ยมันเป็ น, นความหมายของภาษาที่เรายังไม่ค่อยจะรู้กันว่าอะไรเป็นอะไร เอาละนะความเป็นอยู่โดยชอบโลกจะไม่ว่างจากพระอาหารหันต์ทีละเอียดลงไปก็คือว่าเราก็ชอบพูดกันอยู่หรือพูดกันอยู่ที่เี้ว่าละกิเลสหรือบางทีพูดมากกว่านั้นก็ว่าประหัตประหารกิเลสเลยมันอาจจะเป็นเรื่องที่ จะล้วกันไปหมดก็ได้หรือไม่ได้เข้าใจอะไรเลยือกลับรู้ฟังดูแล้วมันมันเข้าใจไม่ได้แม้แต่ว่ากิเลสเนี่ยต้องละหรือไม่ต้องละถ้เจะละกิเลสเป็นพรหารได้อย่างไรกิเลส เกิดขึ้นในใจประสบอารมณ์ต่างๆต่างหูต่างหูแเกิดขึ้นในใจถ้าในปัจจุบันนั้นมันมีกิเลสอยู่แล้วก็วมไม่รู้ว่าอาเรียมักที่ไหนจะมาละกิเลสแล้วกิเลสที่ทิมรู้สึกอยู่ในใจในปัจจุบันรู้สึกในใจนั้นมันก็ไม่ใช่อนุสัย <c oughs> มันเป็นกิเลสที่ออกมาในทางจิตกอบมาเป็นสู่ทวารแล้วขณะผมขยายความให้ฟังเดี๋ยวท่านจะฟังท่านไม่รู้เรื่องเพราะว่าแค่คำพูดแค่เนี้ยมันเป็นสภาพธรรมชั้นลึกเป็นขนาดจิตขนาดที่กิเลสเข้าประกอบจิต ที่ท่านพูดถึงคือสภาพอย่างนี้นะสมมุติว่าคนกำลังกโกรธนะสีแดงก็คือโทสะขณะนั้นมีสติระลึกขึ้นมาแสดงว่าเจตสิกที่ประกอบจิตตอนนั้นคือสติเป็นกุศลสีแดงอยู่ไหนไม่มีดับไปแล้วท่านกำลังถามว่าแล้วสติ ไปเจอกับกิเลสตรงไหนที่บอกว่าอาริยมรรคมีองค์แปดประหารกิเลสเจอกันตอนไหนเพราะไม่มีตอนไหนที่สติกับกิเลสเจอกันสักทีขณะที่กิเลสมีสติไม่มีขณะที่มีสติกิเลสไม่มีท่านพุทธทาถามว่าไอความเข้าใจที่มาพูดกันเนี่ย สติไปจัดการกิเลสตรงไหนเพราะมันไม่เจอกันสมมติว่าห้องนี้คนชื่อกิเลสเดินเข้ามาวันนี้เพราะคนกิเลสเดินออกไปอีกวัน อ, อีกแป๊บหนึ่งคนชื่อสติเดินเข้ามาแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวคนชื่อสติก็เดินกลับบ้านไปคนชื่อกิเลสก็เดินกลับเข้ามาใหม่สองคนนี้เจอกันตอนไหนไม่มีไม่มีตอนไหนที่เจอกันเลย ท่านพุทธทาธถามว่าอาริยมรรคไปชำระกิเลส ต, ตอนไหนแค่นี้เพราะฉะนั้นเราเราฟังเนี่ยเราอาจจะเข้าไปไม่เข้าใจมันเป็นแต่ละกิเลสชนิดนั่นมันก็ไม่มีที่สิ้นสุดหรอกเพราะฉะนั้นท่านมันอยู่กันอย่างนี้เนี่ยไม่มีที่สิ้นสุดนะมันจะสิ้นสุดที่ตรงไหนอะ คนหนึ่งมาคนหนึ่งไปคนหนึ่งก็เข้ามาใหม่คนนึงก็ออกไปแล้วไอ้คนนึงก็เข้ามาใหม่แล้วมันจะจบกันตรงไหนไม่มีแล้วอริยมรรคไหนจะมาเจอกันกิเลสนี่ไม่ใช่คําพูดของคนธรรมดาที่กล้าพูดถ้าไม่เห็นแจ้งจริงๆไม่มีใครกล้าพูดเพอนี้สั่นสะเทือนเลื่อนลั่นกันเลยละ่ะถ้าว่าเชื่อต้องกิเลสมันก็ไม่ได้ถูกแล้ว ข้อนีไงจิตเป็นกระจกเงาต้องหมันเช็ดถูไงท่านพุทธทาสถ้าจะมาขยายตรงนี้แล้วเมื่อไหลมันจะจบเรื่องนี้สะทีเมื่อไหลจะเลิกปัดกวาดเช็ดถูสทัทีเพราะมันยังมีต้นโพยังมีกระจกเงากันอยู่อย่างนี้ทางพูดว่าละกิเลสละกิเลสมั น, นเรื่องแต่ละกิเลสข้างนอก ทางกายทางวาจากิเลสหยาบทางจิตกิเลสขนาดกลางก็เป็อย่างนั้นส่วนกิเลสที่เป็นที่เรียกว่าอนุสัยนั้นก็ไม่มีตัวไม่มีตนออกมาให้เห็นแล้วจะละมันได้อย่างไรถ้ากิเลสไปฆาดไปตีไปดา่าไปว่านี่อ่ะมันก็อาจจะละได้ลึกขึ้นมาได้แล้วก็ละได้ น ก, กิเลเสประเนิวรณ์กำลังกําหนัดกําลังขัดเครืองกําลั ง, งโง่อะไรอยู่มันก็เห็นละไปแล้ว <c oughs> แต่นี่มันละเพียงคุยของกิเลสอที่เราเรียกกันว่ากิเลสชั้นหยาบกิเลสชั้นกลางนะคุยของกิเลสกิเลสชั้นหยาบกิเลสชั้นกลางหมายถึง ทะลุออกมาทางกายวาจาแล้วเรียกว่ากิเลสชั้นกลางกิเลสชั้นหยาบคือออกมาทางวาจาก็คือเริ่มด่าว่าเขาแล้วออกมาทางกายคือลงมือลงไม้แล้วนี่กิเลสชั้นหยาบกิเลสชั้นกลางที่ท่านกำลังพูดถึงว่าคนเขาพูดกันเนี่ยไอ้สติที่พูดถึงเนี่ยมันชำระได้แค่เนี้ชำระได้แก่กิเลสชั้นกลางกิเลสชั้นหยาบท่านบอกว่าถ้าอย่างเงี้ยพอชาระได้ แล้วอนุสัยอยู่ไหนะแล้วจะไปชำระอนุสัยยังไงเราสังเกตไหมว่าไม่หลอกว่าเรามาปฏิบัติเนี่ยสิบปียี่สิบปีทำไมมันไม่ก้าวหน้าเลยทำไมมันไม่พ้นทุกไปสักทีทำไมมันไม่หลุดพ้นทำไมมมนบรรลุธรรมไปสักทีทำไมมันละกันอยู่นั่นอะทำไมมันละกันไม่เลิกละ่ะมันมีอะไรพลาดหรือเปล่าอะสวนกิเลสชั้นละเอียดคืออนุสัยนั้นเอง ไม่รู้อยู่ที่ไหนไม่รู้อยู่ที่ไหนได้จะบอกว่านอนเนื่อนอยู่ในจิตสันดานแล้วจะลงไปเจอกันยังไงล่ะทีเนี้มันกนะ็ไม่เดละครับก็ไม่เด็ละ เ, ดละเลยเอาละนะทีนี้โฟกัสที่อนุใส่ละที่เราเจอกันก็คือท่านก็บอกว่าละได้แต่ขุยมันที่กอดบันเช็ดกระจกเงากันเนี่ยทั้งนั้นก็เช็ดกันไปทั้งชาตินี่แหลนะก็ อ, อาจจะเช็ดมาร้อยชาติแล้ว แล้วก็คงจะเช็ดต่อไปอีกก็คำสอนของพู้เจ้าหายไปไหนครึ่งนึงละ่อะรอริยมรัก์มีองค์แปดหายไปไหนอ่ะแล้วในขณะที่กำลังมีกิเลส อ, อย่างนั้นนะ่ะใครทำอริยามรัก์ให้เกิดขึ้นได้คงก็ไม่มีเข้าใจแล้วนะขณะกิเลสเกิดอริยามรักไม่มีนะขณะที่มีสติกิเลสก็ไม่มีนะ ต้องเข้าใจตรงนี้นะเดี๋ยวฟังท่านพูดจะได้เข้าใจมนอริยมรรคก็ไม่มีโอกาสจะพบกันกับกิเลสการที่พูดว่าอริยมรรคเป็นเครื่องประหารกิเลสนั้นมันหมายถึงเมื่อไรกันเมื่อไรอไร่ะเพราะไม่เคยเจอกันเลยเนีย่ยคือความเข้าใจยากผมเคยเตือนหลายคนแล้วว่าอย่าเอาเรื่องในหนังสือหรือคำพูดที่ท่องไว้หลัก นั่มันเป็นหลับไม่ได้มันต้องเอาไอ้ความรู้สึกในใจจริงๆหัวใจจริงๆมันเป็นหลับอะไรมีอยู่อย่างไรเมื่อกําลังมีกิเลสอยู่เหลือพล่านเป็นไฟอยู่ในใจอะไรยามักไหนจะมาละกิเลสนั้นได้มันก็แล้วนี้กิเลสที่เป็นอดีตกิเลสที่เป็นอนาคตนั่นไม่ต้องพูดถึงมันไม่มีตัวตนมีไหม วินาทีนี้โกรธสติระ ล, ลึกปั๊บเกิดวินาทีนี้แสดงว่าวินาทีที่แล้วโกรธวินาทีนี้ที่เป็นปัจจุบันมีสติความโกรธอยู่วินาทีที่แล้วนี่คือกิเลสในอดีตกิเลสก็ไม่มีตัวตนอยู่แล้วนี่ยิ่งไม่มีตัวตนในไม่มีตัวตนก็ไปอีกเพราะมันเลยไปแล้วพอกังวลหรือโกรธใครที่อยากพรุ่งนี้ย่าไปทุบมันสที นี่คือกิเลสในอนาคตก็ยังไม่มีเลยถ้านถามว่าอาริยมรรคไหนจะมาเจอกับกิเลสเนี่ยปฏิบัติไปปฏิบัติไปก็เบลอๆกันไปหมดจะเลสมาแล้ <c oughs> กิเลสปัจจุบันถ้ารู้สึกอยู่ <c oughs> ก, ก็ไม่มีอะไร <c oughs> มรรคไหนจะมาละมันไดถ้ารู้สึกอยู่มีสติอยู่กิเลสก็ไม่มีแล้ว ก็เลยไม่เจอกันสักทีห้องนี้เหาแล้วนะเห็นประเด็นที่ท่านเปิดขึ้นมาแล้วนะแสดงว่าไม่ใช่อย่างที่กำลังสอนสอนกันแล้วมันก็ยังเหลือแต่อิเลสประเภทที่เรียกว่านอนเนื่องอยู่ในสันดาลแม้แต่อย่างนี้มันก็ยิ่งเป็นปัญหาลหึกอค่ลับ คือกิเลสที่นอนเนื่องใตนตาหือกิเลสท่ะเอียเยวเรียก้นมันก็ไม่มีอะไรก็า ไ, ไปเผชิญหน้าันได้และมันก็ยังไม่ได้เกิดกิเลสที่พอมีเหตุปัจจัให้เกิดเมื่อเกิดมาเป็นกิเลสกลางหรือกิเลสยาบทุกทีไปเหมือนเหมือนผูเขาไฟที่ยังไม่ระเบิดตอนนี้ที่ท่านกำลังน้างโกรธไหม ไม่โกรธ ถ, ถ้าออกไปแล้มีคนดา่าโกรธไหมโกรธตอนที่ยังไม่โกรธมีคนบอกว่ามันมีอนุสัยอยู่นอนเนื่องอยู่ในจิตสันดานเขาว่างั้นแต่พอโดนดา่าปั้งมันทะลุออกมาเป็นกิเลสกลางกิเลสหยาบเลยด่าออกไปไม่พอใจเกิดทันทีเห็นละสติเข้าไประลึกขณะที่สติเกิดไอ้นี่หายไปแล้วสติเกิด อ่ะสมมุติว่ามันหยุดหายไปแล้วกิเลสก็ดับไปเดี๋ยวเดี๋ยวเดินใช้ชีวิตผิดโดนด่าโกรธอีกไหมโกรธสติรละลึกหายเอาละเอาแค่นี้ก่อนทีนี้มารู้จักอ น, นุสัยหน่อย ที่ทน า, ายพูดว่ากิเลสเช่นละเอียดนอนเนื่องอยู่ในสันดานมันก็ไม่ได้เกิดไม่ได้ดับผมมาเป็นคนบ้าเพรายไม่มีอะไรที่จะอเป็นสัจะหรือเที่ยงแท้อย่างนั้นได้มันนี้แต่นิพพานอย่างเดียวที่ว่าจะพูดว่าเป็นของเที่ยงหรือสัจจะคือมันไม่ต้องเกิดไม่ต้องดับ เพราะฉะนั้นที่บอกว่าตอนนี้โกรธไหมไม่โกรธเรามีอนุสัยแล้วก็นอนเนื่องอยู่ในสันดานท่านพุทธทาสเลยถามว่าถ้ามันนอนอยู่นิ่งๆอย่างเงี้ไม่เกิดไม่ดับเลยสิแล้วจะเป็นสัตตตะยังไงคือสัตตตะทิฏฐิหมายถึง ก็คือกลายเป็นสตตาทิฐิคือทิฐิในความเป็นตัวตนของอนุสัยสิที่มันไม่หายไปไหนแล้วใครจะชำระกันล่ะทีเนี้ยแล้วจะจะลงไปชาระกันยังไงก็ในเมืองมันอยู่ใต้ดินแบบเนี้ยพอโผล่ขึ้นมาเราเอาสติมานั่งไล่เอาแล้วไอ้ข้างในนี้ล่ะใครจะไปจัดการก็หากันไม่เจอเดี๋ยวผมเคยเปิดในเข้าไปอ่านดูในเว็บไซต์เนะี่ย อธิบายอนุสัยยืดยาวเลยนะตามคำในพระไตรปิฎกสุดท้ายคนเขียนคล้ายๆลีมาร์แล้วก็ความเห็นของผู้เขียนคือก็ได้แต่หวังว่าชาติหนึ่งเราคงจะสามารถสั่งสมบุญบรารมีจนกระทั่งอนุสัยบางเบาแล้วก็หมดไปได้คือหมดปัญญาคือคนที่อธิบายทั้งหมดเรื่องอนุสัยหมดปัญญาคือมาในเมื่อมันนอนเนื่องอยู่ในจิตสันดานแล้วแล้วใครมันจะล้วงลงไปวะเนี่ย แล้วจะไปเจอคนตอนไหนนะเอาละท่านพุทธทาสจ ะ, ฉะเฉลยทั้งหมดส่วนสิ่งที่ต้องเกิดจะต้องดับไปนี้มันก็เป็น <c oughs> นอนเนื่องอยู่ในสันดานเป็นของเกิดอยู่ตลอดเวลานอนเนื่องอยู่สันดานเป็นของเที่ยงมันมีไม่ได้ก็ <c oughs> มีพุทธภาสิตจับถูอว่าแม่แตาวิชามันก็เพิ่งเกิด ที่อะไรที่ว่ามันจะพอเรียกว่านอนเนื่องอยู่ในสนันดานได้ <c oughs> ผมจึงนั่ว่าที่จะกันว่าอนุสัยหรือสัญญอดนะอย่าไปเรียกมันว่ากิเลสหรือกิเลสชั้นละเอียดเลยให้เรียกว่าความเคยชินแห่งกิเลสความเคยชินแห่งการเกิดของกิเลสท่า น, นั่นคืออนุสัย ความเคยชินแห่งการเกิดของกิเลสพูดอธิบายมปตั้งแต่เมื่อวานวันนี้จะให้ได้ยินบ้างว่าผู้ที่เห็นแล้วเนี่ยท่านเห็นแล้วว่าถ้าความเคยชินยังเป็นอย่างนี้กิเลสยังมีที่ยืนที่ตั้งแน่นอนอะไรที่จะช่วยลดมันลงหนึ่ง เนคขมมะเมื่อเนคขมมะออกมามีความเป็นอยู่โดยชอบมีสัมปัชัญญะมีสติเข้าไปอนุัยทั้งหลายกิเลสที่จะคอยขึ้นมายืนบนเวทีจะไม่มีเวทีให้ยืนเพราะขณะที่มีความเป็นอยู่โดยชอบกิเลสโดนเด็ดหัวไปทีละตัวสองตัวโดยไม่รู้ตัวแทบจะไม่ต้องไปลบลาค้าฟันกันเลย ไม่ต้องรู้ไม่ต้องละอะไรตัางๆเมื่อเป็นอยู่โดยชอบหายกันไปหมดความเคยชินนี่ก็ไม่ได้เกิดอยู่แต่มันพร้อมที่จะเกิดพร้อมที่จะให้เกิดพอมีอะไรมาให้รักก็รักทนไม่ได้พอมีอะไรมาให้เกลียดมันก็เกลียดทนไม่ได้ บังคับใจไม่ได้เพราะว่าความเคยชินที่จะรักในสิ่งที่น่ารักหรือชินในที่จะเกลียดในสิ่งที่น่าเกลียดเนี่ยมันมันมาามากม า, มาแล้วแต่ผลหลังมามากเดี๋ยวก็เป็นอาเซวนปัจจัยฝ่ายกิเลสเลยเป็นความเคยชินที่สุด จนเราไมา่ต้องนึกต้องคิดอะไรมาน่ารักระอะไรมาน่าเกลกรธหเกลีถ้ารถติดไฟแดงเราอยู่คันหน้าติดที่อยู่ติดไฟแดงกําลังเปลี่ยนแผ่น MP3 อาจารย์ประเสริฐไฟมันเขียวไม่ทันดูกําลังก้มดูไอ้คันหลังบีบปีนปีนปีนปีนปีนปนคือบีบอยู่นั่นล่ะนะขณะที่ท่านกาลังเปลี่ยนแผนกดไม่หยุดเลยเพราะเขากำลังรีบ ผมถามจริงๆเลยถ้าท่านอยู่ในเหตุการณ์จริงตอนนั้นความรู้สึกท่านจะเป็นยังไงปีตขึ้นไหมมันบีบไม่หยุดเลยคล้ายๆจะมีมัไปไปสักทีนี่เกี่ยวตั้งนานแล้วเราก็ก้มหาซีดีอยู่นัะปีตขึ้นนะข้ากูมาลองฟังทำไม่รู้เรื่องเลยเนี่ยเราก็จะพูดขึ้นมาในใจแต่มันไม่ได้ยินเราถนัดที่จะพูดเวลาเขาไม่ได้ยิน หรือถ้าจะให้ใครได้ยินสักคนก็คือไม่ผัวก็เมียที่จะต้องทนฟังแต่ไอคนที่คู่กรณีเราไม่เคยได้ยินอะไรเลยแต่คนที่ต้องรับกรรมคคนที่ดังข้างๆมัน บ, บ, บ, บ, บีบอยู่นั่นถามว่าโกรธไหมวันนี้ที่มันยิงกันที่มันฆ่ากันทุกวันเนี่ยก็เพราะไอเรื่องนี้ไม่ใช่เหรอธรรมะไม่ได้อยู่ที่แผ่นผมนะธรรมะมันอยู่ที่นี่มันเกิดอะไรขึ้นรู้ไหมความเคยจินในการเกิดตัวกูมันอยู่เต็มที่ มันปีนปีนปีนานี่ของมันขึ้นเข้าใจไหมรู้ลมได้ไม่กี่ทีแลว้ว่าจะเป็นคนดีก็สักวันก็เป็นไม่ได้สักทีมันบีบอยู่นั่นอะไรของมันวาจะรีบไปไหนรีบนักก็มาตั้งแต่เมื่อวานด้ใช่ไหมมันก็อ่าเนี่ยตอนงันแล้วลงไปก็ทะเลาะกันทะเลาะ ก, กันผมก็เห็นคนื้หนังก็ติ๊กมั่งอะไรนิ้งมีหน้าสันตโลหมดเก้าหนึ่งหนึ่งก็กจกแตกกันไปโอ้เนี่ยเอาละ ทะละความเคยจิปีนปีนอ้าวตายละไปเขียวพี่โทษทีนะขับแอ บ, บขอดูซีดีหน่อยนานไม่กว่าจะละได้อย่างเงี้ยอ้าตายแล้วเราผิดยี่ว่าเราเขียวตั้งนานแล้วแล้วก็ขยับออกไปแล้วก็อย่าอย่เปิดกระจกลรอกเดี๋ยวรู้ว่าเป็นคว้าฝืนนะก็แค่ทำหน้าเฉี่ยมเที่ยมแบบ น, นะเออห้เขาผ่านไปเขาจะได้อาหะไม่ใช่ถ้ามันอีกทีมันจะปาดหน้าเข้ามาเลยคนมันไม่ฮีตขึ้นมันต้องรู้บ้างอรู้เขารู้เราบ้างเออถ้าวันนั้นเขาฮีตขึ้นเราก็อย่าฮีตขึ้นถ้าเขาฮีตไม่ขึ้นเราก็ฮีตขึ้น <c oughs> นะแต่ถ้าเขาฮีตขึ้นแล้วก็อยู่เฉยเดี๋ยวมันยิงกันเดี๋ยวเราเราก็าาไม่ได้ใส่เสื้อกรอกมาก็ให้มันไปนะ่ะนะแป๊บเดียวมันก็ลืมกันแล้วก็เกิดแล้วก็ดับไปคนนี้มันไม่ยอมกัน อะไรคือไม่ยอมกันเพราะมันตัวกูมันขึ้นนะสิมันมีความเคยชินในการก อ, อกตัวกูนี่เนี่ยเราบอกอนุสัยอนุสัยจะไปล้างกันที่ไหนก็ล้ า, ลางก็ตรงนี้แหละก็ไปล้ า, ลางกันตรงนี้มีความเป็นอยู่โดยชอบ่าล้างกันตรงนี้ม <c oughs> ีความเคยชินที่จะเป็นอย่างนั้นที่เป็นอย่างนี้ในสิบอย่างของสัญญาหรื อ, อนุสัยแล้วก็จะพูดสิบอย่างหรือเจอย่างก็ตามใจ เป็นความเคยชินที่พร้อมจะลุกออกมาเะื่ไรถ้าเราทำลายความเคยชินนี่จะได้ก็คือทำลายต้นตอของกิเลสทั้งหลายนี่แหละถ้าพูดอย่างนี้เนี่ยทุกคนเข้าใจถ้าพูดอย่างนี้ทุกคนเข้าใจเลยเพราะฉะนั้นไม่ต้องมานั่งพูดเรื่องสติแล้ว ไม่ได้บอกว่าไม่มีนะมีเองเลยรู้แล้วว่าเหตุเกิดของกิเลสมาจากไหนเพียงแต่จะออกจากความเคยชินที่เป็นต้นตอของมันได้อย่างไรใครเหลือใครจะมาจี้ใครได้จะให้ผมประจี้ใครเหรอถ้าท่านไม่เปลี่ยนความเคยชินนี้ท่านก็ไล่ล่ามันไปเหอะสติ ก, กับกิเลสสติ ก, กับกิเลสเจอกันัเมื่อไหร่ นะเพราะฉะนั้นเออท่านจะเป็นนักคิดวิเคราะห์มาร์เก็ตติ้งหรืออะไรก็ตา ม, มวิเคราะห์ไปเลยอืมเข้าใจแล้เว้งานนี้ถ้าจะไม่รอด <c ười> คือความเคยชินก็คือการทำงานแบบเดิมเออลูกค้าโทรมาด่าด่าก็โกรธถ้าด่าแล้ว ก็อย่าไปโกรธเด็ค่อยๆเปลี่ยนความเคยชินนี้ด่าแล้วเข้าใจเข้าใจอืมก็ค่อยๆเข้าใจเขาจากนั้นสิบขนร้อยขนมันก็อืมเขาด่ามาก็ตอบกลับไปตอบธรรมดาแก้ไขปัญหาไม่เห็นต้องมีอารมณ์ใครว่ามาเออจริงเว้ยขอบใจนะแต่ถ้าว่ามาไม่ถูกก็ชี้แจงไปชี้แจงมันไม่ยอมฟังมันเถียงไม่หยุดเฮ้เราก็หยุดดิเขาไม่มีประโยชน์แล้วนี่ดูจังหวะ นิ่มๆแล้วก็ถอยตัวออกไปเขาจะเป็นอะไรก็เป็นไปเถอะก็เปล่าประโยชน์เห็นอะไรที่มันเป็นประโยชน์อย่างเงี้ยความเคยชินที่จะก่อให้เกิดกิเลสไม่มีจะตบไม่อีกีท่ทีจะแทงขึ้นมาอีกีท่ทีผัสสะจะกระทบอีกกี่ทีนิ่งหมดนิ่งโดยธรรมชาติโดยไม่ต้องไปนั่งรู้แล้วมันรู้ละอะไรทุกอย่าเพราะเป็นอยู่โดยชอบเนี่ยมันเห็นความจริงหมดมันเข้าสู่ความสงบหมด กิเลสที่จะออกมาทางกายทางอวาจารหรือทางจิตเป็นนิวรณ น, นมันก็ไม่มี <c oughs> กิเลสกลาองออกมาเป็นนิวรณ์พอต่อมาเห็นอะไรเขาหน้ารักน่าชังนาอ่ า, อาล้มไหลวมันก็เกิดขึ้นมา <c oughs> แล้วกิเลสอยากไปจีไปดาไป่าไปฆ่าไปอะไรเขามันก็เราะกิเลสพราความเคยชินแห่งกิเลสเอชนิดนั้น่มัน มีมากนะก็ยุคนี้อะไรมากสุดอ่ะเรื่องของอาหารเนี่ยมากสุดนะแชร์กันมาอยากกันมานูน่นนี่นะถ้าผมบอกว่าเนี่ยเข้ามาอยู่ในคอร์สนะตากเข้าไปก็มีแต่รสชาติเคียเค้ยวๆแล้วก็กลืนเห็นไหมเห็นตอนท่านมาอยู่ในคอร์สท่านเห็นไหมเห็นพอกลับออกไปท่านก็ไปเติมความเคยชินแล้วก็หมุนกลับไปที่เดิมอีกสามร้อยวันมาเข้าคอร์สใหม่ ก็มาเห็นไหมเห็นโอ้เข้าใจแล้วก็กลับไปแล้วก็นั่งดูแต่ a c e b o o k เข้าแต่วงใน <c oughs> <c oughs> ไม่ใช่ไม่รู้รู้ทั้งนั้นแหละ <c oughs> วงในก็ทำอะไรกันนะร้านไหน The Best 10 top อปเทรู้หมดที่ไหนถนนไหนจังหวัดไหนไปหมดเพราะฉะนั้นมันก่อความเคยชินอนุสัยเข้าไปเรื่อยๆเอาละ 3วัน5วัน7วันไปเข้าเกาะพะลว ย, ลยลด้วยรถละเลิกกันแบบไม่มีไฟฟ้ากันเลยกลับมาเปิดกันสว่างโล่หมดนะ300อกว่าวันแล้วก็ไปรถละเลิกไฟเฟยไม่มีพัดลมไม่มีกลับมาเอาเหมือนเดิมแอร์ก็เปิดตั้งแต่ในรถผมไม่ได้บอกว่าไม่ต้องเปิดนะแต่ว่าเปิดก็เปิดอย่าไปลหลงไหลได้ปื้มชีวิตอย่าไปลหลงไหลได้ปื้มไม่ใช่ว่าไม่ทําอะไรถ้าใครต้องทําก็ทําถ้าใครสามารถรถละเลิกได้ก็เอาเลยอินทรีแกๆ่ๆจะทําแค่ไหนก็ทําไป อินทรีย์อ่อย่างที่บอกกระจอกออนกระจอกแก่แล้วก็ทำกันไปตามอินทรีย์นะแต่อย่าไปหลงไหลได้ปลื้มกับมันพรธเจ้าตรัสว่าถ้ามอาีอาหารที่เข้ามาถวายปราณีตสุดปราณีตก็ฉันอย่างปราณีตให้เรากกับให้ขอทานก็ฉันแบบขอทานนะตะถาคตอยู่แบบนี้แต่ท่าน มีอีกคำหนึ่งคือแล้วไม่บ่นด้วยนี่แหละคำนี้แหละแล้วไม่บ่นด้วยคือแสดงว่าไม่ได้มีอะไรที่ต้องมาถ้าจะบอกว่าก็แค่สิ่งสิ่งหนึ่งใส่เข้าไปในสิ่งสิ่งหนึ่งนะขันรับรู้กายทำงานไปย่อยสลายจบรสนะชาติก็ว่างจากตัวตนกันหมด ก็สัมผัสกับอย่างนั้นเองเช่นนั้นเองอย่างนั้นเองจบเลิกไปชีวิตก็ผาสุขไม่ต้องไปยึดติดกับเป็นทาสกับอะไรคนทั่วไปฟังเขาโอ้โหแล้วความสุขมาจากไหนทํางานหาเงินไม่ได้เป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านแล้วไม่เอามาซื้อความสุขบ้างแล้วจะไปทำอะไรนะก็เอาเถอะนะถ้าพูดในอย่างนี้ก็ต้องบอกว่าก็อย่าลงให้มันมากก็พูดแค่เนี้ยก็ไปที่ชอบที่ชอบใครชอบอะไรก็ไปทางนั้นนะ เอาที่สบายใจเดี๋ยวนี้ผมพูดแค่จริงๆผมไปบรรยายเมืองนอกเมืองนาเขาฟังคนที่เมืองน อ, นอกนี่ปัญหายิ่งหนักกว่าคนที่เมืองไทยหรือว่าหนักพอกันก็ไม่รู้เนื่องจากครูบาอาจารย์แวะเวียนกันไปเยอะมากจึงได้ฟังแต่ละแนวแต่ละแบบเนี่ยเป็นสิบเป็นโอ้โหยี่สิบแบบพระเนี่ย พอเจอองค์นี้ก็ทําไมองค์นั้นพูดอย่างนี้พอเจอองอีกองนู้นทําไมองนู้นพูดอย่างนี้ทําไมอาจารย์พูดอย่างงู้นคือแล้วองค์นั้นที่พูดอย่างนี้หมายถึงอะไรรทําไมไี่ถามท่านว่าทาไมต้องมาถามองค์ต่อไปนะที่หลังสงสัยอะไรก็ถามองค์นั้นจะไปถามองค์ต่อไปก็ทะเลาะกันตายหรถามแบบนี้นะเราก็ไม่รู้ว่าวินาทีนั้นจังหวะนั้นสิ่งแวดล้อมนั้นคนถามถามอย่างนั้นจริงหรือเปล่าหรือจิตใจของคนถามตอนนั้นเป็นยังไง คำถามเดียวกันน่ยมันดูเหมือนกันเน่ยมันตอบไม่เคยเหมือนกันนะเขาจะหลีกคนก็เหมือนไม่เหมือนกันอะไรก็ไม่เหมือนกันวินาทีนั้นใครเป็นอะไรก็ไม่รู้แล้วอยู่ๆออกมาถามอีกตอนหนึ่งต่างกรรมต่างวราระกันนี้ตอบไม่ได้เรายิ่งตอบยิ่งมั่วเลยเนะอา้าวแล้วทำไมองค์นั้นพูดงั้น่ะอา้าวจะไปรู้ไหมเราไม่ใช่องค์นั้นนี่ทุนแรงเป็นขนาดนะช น, นความเคยชินของกิเลสแท้แท้ เราเรียกได้โดยโวหารสมมติว่านอนเนื่องอยู่ในสันดานนอนรออยู่ในสันดานพูดได้ด้วยโวหารสมมุตินะว่านอนเนื่องอยู่ในสันดานจริงๆไม่มีอะไรที่ไม่เกิดไม่ดับแต่ทีนี้ความเคยชินนี่แหละที่เป็นต้นต่อนะความเคยชินนี่แหละที่เป็นต้นตอล้างความเคยชินได้เมื่อไหร่เราก็เริ่มเห็นภาพแล้ว มันไม่ใช่ตัวกิเลส ท, ที่เกิดอยู่ในสัญญามันเป็นเพียงความเคยชินเป็นนิสัยที่จะเป็นอย่างนั้นจนความจะได้รับอารมณ์กระสบอารมณ์กระทบอารมณ์ความเคยชินนั้นมันจะทำหน้าที่มันทันที ความเคยชินในการที่จะโลภความเคยชินในการที่จะโกรธความเคยชินในการที่จะหลงแล้นแยกออกไปความโกรธความโลภความโกรธความหลงแยกออกไปได้มากแล้วแต่ชื่อเราจะแจกเป็นอุปกิเลสสิบหกก็ตามมีวรห้าก็ตามหรือไม่แต่จะแจกตามชื่อสัญญุตสิบสกายที่ตีเป็นต้นก็ตามมันก็รวมอยู่ในโลภโกรธหลง การตัดอำนาจอันนี้เสียได้อำนาจที่มันที่เป็นความเคยชินอำนาจที่จะเป็นไปตามความเคยชินมถูกตัดเสียได้ทิเลสก็ไม่มีทางเกิดนั่นเราก็พูดว่าหมดกิเลสได้พูดว่าหมดกิเลสได้จริง อย่างนี้ข่ากับพระพุทธภาษิต ท, ที่ว่าเป็นอยู่โดยชอบสไตล์โลกจะไม่ว่างจากพระอรหันต์แม้ความมันไม่ให้โอกาสที่ความเคยชินของกิเลสจะทําหน้าที่ของมันไม่เป็นอุปุชนต่อไปอีกเห็นใจเจ้าขั้นใดขั้นหนึ่งก็ทั้งเป็นพระอรหันต์และความเป็นอยู่โดยชอบ มาจากไหนครับในเมื่อเป็นผูท้ที่ไม่เป็นอยู่โดยชอบคือไม่มีสติอยู่ตลอดเวลาเขาไม่เป็นผู้มีสติอยู่ตลอดเวลาไม่เป็นอยู่โดยชอบที่พออารมณ์มาแต่ท้อมันก็ไปรักไปโกรธไปเกลียดไปกลัวไปเสร็จแล้ว ควาสติจะมาที่ไหนได้มันไปฆ่าเขาแล้วน <c oughs> ี่อาเรียรมักไหนจะจะเกิดขึ้นแล้วแล้วฆ่ากิเลสชนิดนั้นจะจะนิดหยาบหยาเป็นเพียงปฏิกริยาของไอ้กางเกิดชินในการเกิดกิเลสได้ได้มันก็ไม่มี เอาลทีนี้เรามาดูว่าท่านก็ไม่ได้พูดแค่นี้ท่านจะพูดให้เห็นว่าเมื่อเราเป็นอยู่โดยชอบเนี่ยขนาดนั้นอย่างที่ผมบอกคือเมื่อเรากลับมามีสติสัมปชัญญะจิตจะตั้งมั่นตื่นขึ้นมาที่ผมพาท่านทำเนี่ยจริงๆเป็นการเร่งปุ๋ยให้เห็นใครเห็นก็เห็นแต่จะถาวรไหมเก็ว่ากันไป หรือใครไม่เห็นก็ไม่มีปัญหาอะไรคนเพิ่งมาใหม่อาจจะ ย, ยังไม่คุ้นแต่ถ้าใครเข้าใจได้มันให้รู้เลยว่าสิ่งนี้จะเกิดขึ้นเมื่ออยู่ในสัมมาอาชีวะมีการเจริญอริยมรรคมียองแปดมีการเนคขม้าจากรกามจิตปราศจากกามปราศจากอกุศลเป็นเวลานา น, าน จนมันย้ายฝั่งมาอยู่ในฝั่งของความเป็นอยู่โดยชอบจิตจะตั้งมั่นขึ้นมาเองเมื่อจิตตั้งมั่นขึ้นมาเองในขณาจิตตั้งมั่นขึ้นมาเองในแต่ละขณะจะไม่มีตัณหาบีบคั้นที่ผมบอกว่าจะมีความสุขเล็กๆคือตัณหาไม่มีเมื่อตัณหาไม่มีในขณะนั้นผู้เจ้าตรัสกับพระนลว่าระดับที่หนึ่งของนิโรธเรียกว่าวิขำพนนิโรธคือ จิตทรงฌานอยู่ตั้งแต่ปฐมฌานขึ้นไปขนาดนั้นจะไม่มีตันหาบีบคั้นในจิตคนคนนั้นจะรู้สึกถึงความสุขเล็กๆในการกระทำทุกๆอย่างเช็ดถูบกวาดที่ไม่มีความอยากจะให้เสร็จเร็วๆผมเคยยกตัวอย่างอะผมเอาตัวเองไม่ยกตัวอย่างผมเคยทำข้าสารหก ทั้งกระสอบทั้งถังอ่ะเต็มพื้นหัววันนั้นผมก็ไม่ได้มีอะไรมากผมก็ค่อยๆเก็บทีละเม็ดท่านึกภาพพลินเข้าสารถุงห้กิโเนี่ยเทพลาดรั่วลงไปที่พื้นเต็มหมดผมกค่อยๆเก็บทีละเม็ดใส่ถังเก็บไปเรื่อยๆทีละเม็ดมองไปเนี่ยคือเหมือนกับไม่มีที่สิ้นสุดไม่มีที่จบ เก็บไปแล้วก็ไม่ต้องรีบเก็บด้วยนะเก็บไปเรื่อยๆจากนั้นสักพักสมาธิเริ่มเกิดจากนั้นอีกสองสามขณะก็เกิดมีความสุขในขณะที่กํำลังเก็บเม็ดเข้าสารไปทีละเม็ดไม่มีความต้องการไม่มีความอยากบีบคั้นที่จะให้มันเสร็จแล้วเชื่อไหมขณะที่กําลังเกิดความสุขเล็กๆเนี่ยลึกๆเนี่ยเหมือนกับไม่อยากจะให้งานนี้เสร็จเลยอยากจะเก็บไปอย่างนี้เพราะ มันหล่อเลี้ยงมันชุ่มชื่นไปหมดเะีย่ยอย่างเงี้ยเก็บไปเรื่อยๆนี่ท่านดูผมเก็บไปเรื่อยเขาเกิดสมาธิแล้ว <c oughs> นั่งมองเมืไหรอาจารย์จะเก็บเสร็จเนี่ยก็ช่วยลุ้นอยู่เนี่ยอีกนานไหมเนี่ยอาจารย์เนะี่ยอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นอย่าไปมีผมถึงบอกว่าเวลารออย่าไม่ต้องรอใครท่านมานั่งรอใช่โดยสมมติบัญญัติเรียกว่ารออาจารย์แต่จริงๆท่านรอผมที่ไหนล่ะ ถ้าผมไม่มาท่านก็นั่งอยู่อย่างนี้ผมมาเร็วท่านก็นั่งอย่างนี้เราก็อยู่กับสมาธิอะไรจะมาอะไรจะไปอะไรจะเคลื่อนไหวไม่มีอะไรที่จิตใจจะต้องไปกระสับกระสายนึกออกหรือยังเวลาผมพูดเล่าอยู่ในเรื่องแบบมีคนนัดเรามาว่าเดี๋ยวจะมาที่บ้านเราเอา้าวไม่ออกไม่อยู่แล้วอา้าวก็เธออยู่บ้านไม่ใช่เหรอก็ใช่ก็เห็นเธอจะมาเนี่ยฉันก็รออยู่รออะไรอะ่ะอะอย่างนี้ที่ผมเล่า จะมีใครรู้ไหมว่าเนี่ยที่ผมเล่าคืออะไรก็ขำๆไปกับคำํำเฉยๆที่เกิดขึ้นจริงๆคือเรารออะไรก็เราอยู่บ้านอยู่แล้วแล้วเรามาเข้าคอร์สปฏิบัติอยู่แล้วจะ ก, กี่วันก็ทำเราก็ต้องมานั่งอยู่อย่างนี้อยู่แล้วเรามารออาจารย์ไหนอาจารย์มาอาจารย์ก็พูดพูดก็ได้ยินอาจารย์พูดเสร็จอาจารย์ก็ไปแล้วก็อยู่ของเราเนี่ย ไม่มีขั้นตอนไม่มีตอนไม่มีเวลาไม่มีถูกแบ่งไม่มีการถูกแบ่งด้วยช่วงเวลาเข้าใจไหมมันคือคานไหลเลื่อยจริงๆก็ไม่มีคอสพูดไปเดี๋ยวยิ่งไปกันใหญ่คือมันก็คือช่วงเวลาที่ไหลเลื่อยปีใหม่นะท่านไปดูแล้วสามสองหนึ่งมันเคยปีใหม่ไม่เคยมันไม่เคยปีใหม่แล้วมันคือมันผ่านไปยังไม่ถึงวินาทีมันเป็นปีเก่าไปแล้วไงถ้าเอาสมมติบัญญัติมาจับเนี่ย คือมันมันผ่านไปเลยอ่ะมันเลื่อยไปเลยอ่ะพวกนี้เป็นวันเกิดไม่รู้เกิดตอนไหนไงอย่างเงี้ยคือเมื่อถึงวันนึงไม่ใช่บ้านนะแต่มันฟังเหมือนคือมันก็นอย่างเนี้ยพอมันไม่ได้เข้าไปจมอยู่ในสมมุติบัญญัติแล้วเนี่ยสภาพต่างๆมันไหลเลื่อยไปหมดนั่งอยู่ตรงนี้เห็นเลยว่าผมเห็นแม่ผมนั่งวิวแชร์เนี่ย มันก็เหมือนตัวผมนั่งอยู่ในวิวแชร์ผมไม่ได้มีความรู้สึกว่าวันนี้วันไหนเราเป็นไม่เป็นใบไม้จะเหลืองอ่อนเหลืองแก่เขียวแก่ใบเดียวของต้นไม้หมดมาในทุกช่วงเวลาไม่มีตั้ตอนไหนก็ได้จะเป็นอะไรก็ได้จะเดินไม่ได้อีกเลยจะสมองเสื่อมจ ะ, ะก็ไม่ได้เห็นมีปัญหาก็อะไรก็ก็ เป็นอย่างนั้นเป็นมะเร็งเดี๋ยวก็ตายเลยดิเอาลงมานั่งเฉยๆนี่เดี๋ยวก็ตายคืออะไรมันก็ตายหมดแหละโอ้โหปจันทร์ไปสามจังหวัดแฉแดงใต้ไม่กลัวตายคือมันตายอยู่แล้วนั่งอยู่ที่นี่ก็ตายนะก็วันนี้ยังไม่เห็นตายแล้วทีเดี๋ยวลงไปเที่ยวนี้อาจจะตายก็ได้คือตาเห็นไหมบอกแล้วเตือนแล้วนี่ไม่น่าลงนะแต่สมมติว่าผมเปลี่ยนใจไม่ลงนะสมมติว่าผมเปลี่ยนใจไม่ลงนะผมถูกลดชนตายที่บ้านอย่างเงี้ยเออนี่นะ แกขนาดไปสามจังหวัดไม่โดนมาโดนที่บ้านอ้าวก็พราะไม่ไปไงถึงโดนที่บ้านไงเนี่ยคือมันพูดมันได้หมดไงเวลามันพูดเนี่ยเหมือนเราจะขับรถไปทางเนี้ยเฮ้ยรถมันติดเปล่าวะเออไปทางนี้ดีกว่าเออนี้ติดน้อยหน่อยแต่ทางนู้นน่ะไม่ติดแต่เราไม่รู้แล้วทางนู้นน่ะไม่ติดเลยเสือกมาทางติดแล้วบอกว่าเออนี่ทางเนี้ยติดน้อยก็เพราะเราไม่รู้ไงเราเดินทางไหนเราก็จะเห็นทางนั้นอ่ะไม่เดี๋ยวนี้รู้แล้วจานมี Google Map ก็นั่นแหะมันช่วยให้เราเหมือนเทวดามากขึ้นไอ้เทคโนโลยีเนี่ยเรารู้หมดอจะไปประเทศไหนอุณภูมิมันเท่าไหร่เรารู้หมดเพราะฉะนั้นเราเนี่ยไม่ต้องไปฝึกฌานแล้วคือเรารู้หมดเพราะรู้หมดเนี่ยถึงเอาตัวไม่รอดรู้มันหมดรู้เกินควรเกินควรละเกินควรที่จะรู้เอาล่ะทีนี้มาอีกนิดเดียวพอนะเรื่องนิพพาน ขณะนี้มีสติมีสัมปชัญญะกําลังเคลื่อนอ่าท่านยกมือเคลื่อนขณะนี้วินาทีเนี้ยวินาทีที่หนึ่งวินาทีที่สองเคลื่อนไปเรื่อยๆนะสามสี่ห้าหกเจ็ดรู้สึกถึงการเคลื่อนไหมรู้สึกถูกไหมรู้สึกถึงการเคลื่อนไม่ได้มีแขนเราไม่ได้มีมือเราถูกไหมแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสอง่าสมมติรอบผมหยุดแค่นี้เอาลงก่อน วันนี้สมมุติว่าท่านมีหนึ่งร้อยวินาทีสิบสองวินาทีเมื่อกี้นี้ข้อมูลที่ถูกต้องไม่มีตัวตนได้ไหลเข้าไปแล้วเข้า <C'> e ใจไหมในขณะสิบสองวินาทีเมื่อสักครู่นี้ไม่มีตันหาบีบคันถูกไหมไม่ได้อยากเป็นอะไรไม่ได้อยากให้เสร็จไม่ได้อยากอะไรเลยจิตของท่านตั้งมั่นอยู่กับการรับรู้ของการเคลื่อนถูกไหม ไม่มีตันหาบีบคัน้นจิตทรงฌานอยู่ในปฐมฌานเมื่อทำไปเรื่อยๆจะเข้าสู่สมาธิในปฐมฌานไม่ได้อยากให้เสร็จไม่ได้อยากให้จบจะเริ่มไม่ค่อยรู้สึกถึงเวลาขณะนั้นท่านกำลังอยู่ที่นี่ถ้าตอนนี้รู้ลมครับรู้ลมไว้หนึ่งสอง สามสี่ห้าหกในร้อยวินาทีที่เคยใส่แต่ตัวกูของกูเข้าไปเป็นข้อมูลจะถูกเบียดด้วยสี่วินาทีเมื่อสักครู่นี้เข้าใจยังง่ายอย่างนี้เลยเหรอก็ลองดูด้ง่ายจริงวะแล้วอีกเก้าสิบกว่าทุกวันนี้ทำอะไรเติมแล้วพอออกไปจริงๆยังเติมหนึ่งสาะไหม กลับไปที่เพิ่มตัวกูงานเสร็จหรืยังเงินเนะ่ะทำไมได้แค่นี้อะอะไรหุ้นขึ้นไม่กี่วันตัวอีกแล้วอ้าวแล้วไงต้องหมุนอยู่แค่นี้หมุนอยู่แค่นี้แล้วก็สร้างความเคยพอเห็นตัวเลขออกไปถึงอะไรว่ก่อนมาเข้ายังขึ้นอยู่เลยสมมติว่าท่านดูหุ้นท่านเป็นคนเล่นหุ้นพอออกไปนี่ไปนั่งภาวนาทำบุญขนาดนี้หุ้นไม่ขึ้นเลยอ้าวแน่ ไปนู่นถ้าโทบอาจารย์มาทําบุญทํากุศลทำไมไม่เห็นได้อันนี้สงแห่งบุญเลยนั่นล่ะนั่นแหะอันนี้สงแห่งบุญที่กําลังตกอยู่นั่นแหละจะได้ให้ละกิเลสบ้างไม่ใช่เอาแต่พอกพูนกิเลสมันเกิดราคะนุสัยอาจารย์นี่ก็ไปได้เรื่อย ตอนนี้ก็อย่าลืมถึง เ, ออเรื่องที่เคยพูดมาแล้วเกี่ยวกับนิพพานออโดยกว้างๆมีอยู่เป็นสามอย่างตทงังคานิพ <c> พ <oughs> านความประจบเหมาะกิเลสไม่เกิดนั่เป็นตทงนังคานิพพาน วิกขัมันิาพาณนอ่นมันก็มีเจตนาที่จะกาหนดหรือทำอะไรไว้นี่คืออยู่ในสมาธิหมอคือเป็นไปเอง <c oughs> เป็นอยู่ในฌานในสมาธินี่ก็เรียกว่ากิเลสไม่เกิดว่างจากกิเลสก้องน า, าวิขัมนันะอันนี้ แล้วก็อนที่แท้จริงที่สามก็คือสมุทเฉทเทนิพพานซึ่งเขาจะพูดกันว่าความสิ้นไปแห่งกิเลสคำหลับไปแห่งกิเลสชั้นละเอียดนึกไซน์นี่นก็ตามผมพูดว่าความสิ้นไปแห่งความเคยชินแห่งการเกิดของกิเลสเอาละนะชัดเจนสองข้อนี้นะวิคัมพนะมาจากการภาวนา ตั้งแต่ปฐมฌานขึ้นไปจนถึงอรูปฌานแปดเรียกวิขัมพนะเพราะขณะนั้นจิตไม่มีตัณหาถ้าใครภาวนาหรือว่าอยู่ในชีวิตประจำวันรู้สึกมีความสุขเล็กๆหล่อเลี้ยงอยู่ตลอดเวลากำลังอยู่ที่นี่นะเมื่อวิขัมพนะมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นจะส่งผลไปสู่ตทางคะคือจะเกิดการแยกรูปนามจะเกิดการดับลงไปชั่วขณะ เห็นรูปนามตามความเป็นจริงจะเกิดการดับลงชั่วขณะนะเรียกว่าตทาะทังนคะผู้ปฏิบัติอาจจะถ้าเห็นแรกๆอาจจะร้องไห้อาจจะตกใจเพราะไม่เคยพบสภาพธรรมที่เป็นความว่างมาก่อนจากนั้นเมื่อภาวนาต่อไปหรือใช้ชีวิตเป็นอยู่โดยชอบต่อไปสมุทเฉดจะเกิดขึ้น จากการที่มีสองตัวนี้มากเข้ามากเข้าคําว่ามากเข้าแปลว่าอะไรที่ผมรับหนึ่งสองสามสี่ห้าออกเวลาตรงเนี้ยจะถูกยืดออกไปจะถูกยืดออกไปเรื่อยๆจะถูกยืดออกไปเรื่อยๆเมื่อยืดออกไปเรื่อยๆในชีวิตเนี่ยยืดออกไปเรื่อยๆเนี่ยกิเลสแห่งความเคยชินเนี่ยจะเริ่มอ่อนกําลังลงเนี่ยที่ท่านพุทธทาสบอกว่าคําพูดที่เข้าใจยากเนี่ย พอทุกคนรู้สึกว่าต้องเข้าไปทำาลยสุดท้ายเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยคือการยืดเวลาให้ข้อมูลที่ผิดนะ่ไม่มีโอกาสเข้านบระบุว่าเป็นอยู่โดยชอบนั่นคืออริยมรรคมีองค์แปดเอาละนะกลับมาที่อริยมรรคมีองค์แปดละนี่คือปัญญาการตัดสรุ้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าละ สมาทิสติสมาตังกโปสมาวาจาสมาต ม, มันโตสมาอ้าวแล่ะนะเพื่อให้เร็วขึ้นอีกนิดนึงเมื่อความเป็นอยู่โดยชอบเกิดขึ้นต่ทางคนิพานจะขยายตัวออกเข้าใจใช่ไหมเมื่อกี้ทำให้ดูแล้วท่านอยู่กับลมบ้างอยู่กับการที่พี่สติสามปัญญาบ้างนานขึ้นเรื่อยๆจิตจะตั้งมั่นขึ้นโดยลาดับโดยธรรมชาติเลย อยู่กับความเป็นอยู่โดยชอบสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะเนี่ยความเป็นอยู่โดยชอบเนี่ยข้อไหนข้อไหนจะเข้ามารวมกันทั้งหมดในการใช้ชีวิตสัมมาทั้งหมดจะค่อยๆเติมเต็มเติมเต็มเติมเติมเติมเต็มตสิกขาทั้งหมดจะค่อยๆเต็มขึ้นเติมขึ้นเต็มขึ้นแต่ทางคานิพานคือความสงบของจิตจะมากขึ้นมากขึ้นตัวกูจะไม่ค่อยมีข้อมูลไหลเข้าไปแล้วตอนนั้นจากนั้นมันจะขาดลงในที่สุด เมื่อขาดลงในที่สุดจะเกิดปฏิกิริยาบางอย่างที่เกิดขึ้นเรียกว่าการบรรลุธรรมคนจึงเข้าใจว่าการบรรลุธรรมคือการทําอะไรสักอย่างให้เกิดการบรรลุซึ่งก็มีคนที่ทําอะไรสักอย่างแล้วเกิดการบรรลุถ้าเราฟังต่อไปท่านพุทธทาสบอกว่าพระเอิญมันไปทําตรงกับตรงนี้พอดี แค่นั้นนะก็เลยนึกว่าสิ่งที่ตัวเองทําถูกก็เอามาบอกสอนต่อทีนี้คนเดินตามเริ่มยุ่งละ่ะเริ่มยุ่งละ่ะเพราะว่าในขณะที่ตัวเองก็ไม่ได้เป็นอยู่โดยชอบมักก็ไม่ได้ครบองค์แต่คนคนนั้นเนี่ยทําจนมักครบองค์ไปแล้วเหลือนิดเดียวแล้วก็เกิดไปเห็นความจริงแล้วก็สลัดคืนบรรลุธรรมจึงเอาแค่นั้นมาบอกคนอื่นเข้าใจไหม หนึ่งสองสามสี่ของมัรคหายไปหมดเลยทีนี้แล้วจะเดินตามยังไงล่ะเอาละนะผมก็คงให้ท่านฟังแค่นี้แหละที่เหลือท่านที่สนใจอยากจะรู้ว่าเออแล้นี้มันชุดไหนเนี่ยอยากไปฟังให้จบอยากจะไปฟังที่ท่านบรรยายจริงๆเลยที่อาจารย์ไม่ตัดเลยแต่จริงๆนี้ผมไม่ได้ตัดอะไรนะตัดแค่การหายใจการอะไรที่ห่างๆแค่นั้นเองนอกกนั้นเนี่ย ถ้าฟังกันจริงๆนะฟังจนครบน่แต่ถ้าสาธยายด้วยในสองชั่วโมงก็ไม่จบหัวข้อ MP3 ชื่อชุดนะพูดไปใน MP3 แล้วเดี๋ยวกันออกไปชื่อธรรมปาติโมกธรรมปาติโมกเรื่องคำพูดที่เข้าใจได้ยากเกี่ยวกับการละตัวกูของกูนะท่านก็ไปหาฟังเอาเองเอาละสำหรับการบรรยายช่วงนี้ก็คงพอสมควรนะเริ่มเข้าใจความเป็นอยู่ได้ชอบเชิญ